บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นตรงกับวันสำคัญของชาติคือวันจั ก, กรีตามปกติแล้วเมื่อมีวันสำคัญที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางวัดได้จัดกิจกรรมจะเรียกว่าบำเพ็ญจิตภาวนาพุโทโธเพื่ออาศัยพลังแห่งกุศลที่ได้อบรมบำเพญ็ญกระทําในครั้งนั้นนั้นอธิษฐานใจเพื่อก่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและหนวยความสุขให้แก่สถาบันทั้งสามวันจะกรีที่ได้ถือว่า เป็นวันสำคัญนั้นเนื่องจากคนไทยได้สแสดงออกถึงความสำนึกคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จั ก, กรีทุกประองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญทิตานหิตรประโยชน์อันเกือกูลแก่ชาติบ้านเมืองนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาสู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ส่งน้อมนำเอาธรรมะที่เหมาะที่ควรในกรณีนั้นๆปล่ไปประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นรูปรธรรมอำนวยผลให้พิสูจน์กันได้ไปจากจังแก่ใจของบุคคลทั้งหลายซึ่งข้อนี้จะพบว่า ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเรื่องของพรระัตนาใจพฤติกรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมแล้วคือผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติผ่านการสัมผัสสัมผัสผลมาแล้วการการเคลื่อนไหวทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเคลื่อนไหวโดยธรรมประกอบด้วยธรรมและยุติโดยธรรม เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมะคาสั่งสอนก็เป็นการนำเอาธรรมะที่ผ่านการสัสรุขและพระองค์ทรงสัมผัสด้วยพระองค์เอ ง, เองเมื่อแสดงลักษณะของธรรมะจึงมีความเป็นนมามธรรมเมื่อพุทธบริษัทได้นําธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ปรากฏรูปใหม่เป็นรูปธรรม การเคลื่อนไหวของผู้มีธรรมก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็ตามก็มีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นคุณธรรมที่มีอยู่ในองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและบุรภษพระมหากษัตริย์ในอดีตจึงอาจกล่าวโดยสรุปตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส ด, ดงและทรงบำเพ็ญตลอดมา ตลอดประชนมายุของพระองค์แต่ผลเกือ้อูลเหล่านั้นก็มาถึงในปัจจุบันและจะเป็นไปเช่นนั้นแม้ในอนาคตนั่นก็คือการสร้างสรรพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆให้บังเกิดขึ้นภายในชาติบ้านเมืองตำรงรักษาเอกรากษอธิปไตยความเป็นไทยกหนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆที่สืบต่อกันมาในอดีตการ ให่ดำรงคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติบ้านเมือง ต, ต่อไปมีสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภายในก็ดีจากภายนอกก็ดีประสงค์บำบัดแก้ไขกระจัดปัดเป่าพยานอันตรายเหล่านั้นบางครั้งบางคราวแม่อันตรายจะรุนแรงจนสุดวิสัยที่จะกระจัดปัดเป่า ให้หมดไปสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงได้ก็ทรงบรรเ้าความรุนแรงเหล่านั้นให้เบาบางลงไปอยู่ในพิสัยที่จะทนได้ดารงชีวิตอยู่ได้รารมเหล่านี้ก็คือหลักที่สุดสรรเสริญกันในรูปของธรรมะได้แก่คาที่ใช้ว่าอัายะอิตายะสุขายะก็คือการสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ มันมีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนที่ทร ง, สงแสดงไว้มีลักษณะอย่างนั้นคนนี้พึงดูตัวอย่างธรรมะบางประกันที่ก่อให้เกิดผลเป็นความสาเร็จในสิ่งที่บุคคลมุ่งมา่ปรารถนาอันไห้เดือวิสัยและเป็นเหตุเป็นปัจจัย อำนวยความสุขให้แก่บุคคลทั้งหลายในการภายหน้าตลอดทึงในชาติหน้านั่นก็คือองค์ธรรมสี่ประการได้แก่ศรัทธาสัมปทาจิตใจที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณของพระตนาฑ์ใจโดยเฉพาะคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประการสำํำกัน ความเชื่อมั่นเหล่านั้นได้ยังลงมั่นคงแน่นอนไม่ถูกโยกครอนให้หวั่นไหวโดยอาศัยในยะของพระพุทธคุณแ่และบทที่สวดสาทยายกันคือแม้แต่จะสรุปลงด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณตต่ว่าบุคคลมีความเข้าใจมีความประทับใจ คิดสืบเนื่องไปจากจุด ท, ที่ตนรู้ในปัจจุบันก็จะมองเห็นพระปัญญาความบริสุทธิ์และพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าไปจากแจ้งใจใจทั้งตน่อมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะทั้งหลายเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสัสรูของพระองค์และทรงสแสดงอาความเชื่อมั่นในประธรรมก็จะติดตามมา ประรามทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามฝ่ายอย่างที่ทราบกันคือกุศลนำผลเป็นสุขมาให้เป็นธรรมที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลตามที่คนต้องการอากุศลมีผลเป็นความทุกข์ทรงสอนในลักษณะชี้โทษชีภ้ภัยอันจะเกิดขึ้นจากการประพฤติการกระทำตามอำนาจอากุศลเหล่านั้น เพื่อบุคคลมีความหวาดกลัวรังเกียจขยะขยะและอายแก่ใจสะดุ้งกลัวตผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นแลกวกงกตเป็นเพื่อไม่ให้เพิ่มเพื่อไม่ให้เพิ่มบาปขึ้นภายในจิตใจของตนและต้องการจะหลีกหนีออกไปจากความทุกข์ในฐานะนั้ น, น, นและในขณะเดียวกันทำเหล่าใดที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในส่วนที่เป็นกลาง เกิดปยากริตรปยาอาศัยสติปัญญาของตนเพ่งพินิษพิจารณาหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในการสร้างสารรค์พัฒนานในการเรียนรู้ปัญหาของชีวิตและสัจจะแห่งชีวิตเช่นการกรับจิตยอมรับความจริงของสังขารทั้งหลายที่มาเกิดขึ้นแล้วมีการแ ป, ปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา สามารถปล่อยวางความยึดถือในอารมณ์ต่างๆลงไปได้อย่างน้อยที่สุดในยามที่ควรยึดถือก็ยึดถือเอาไว้อย่างมีปัญญาพยายามที่ควรปล่อยปล่อยวางก็ปล่อยวางได้โดยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่า น, นั้นมากเกินไปและจิตใจของบุคคลก็จะใคร่ในการศึกษาปฏิบัติตามธรรมนั้น หรืจะพยายามกําหนดรู้ความจริงโดยธรรมชาติธรรมดาแห่งธรรมเรียนรู้ความจริงโดยสภาพเมื่อสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสภาวะก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้และพร้อมที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยก็ทําทใจให้ดิ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด จิตจะกำนัดเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่ในสิ่งนั้นหรือคับแค็นใจตัดใจอยู่ด้วยความรู้สึกเหล่านั้นจะเพลิดเพลิ น, พนยิ่งขึ้นหรืออาจจะคับแค็นมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นอาการแท่งใจกรอบเกลียดใจเกลือแท้งในาภายในโศกเศร้าซึมเศร้าอยู่ในภายในก็ะจะเพียรพยายามละสิ่งเหล่านั้นออกไปจริงใดนั้นเป็นเป้าหมายเป็นผลเป็นอนิสง์ อันเกิดขึ้นจากการสลัดจิงซึ่งเจแทงกายใจให้ออกไปโดยลาดับเป็นผลที่พึงมุ่งมากปรารถนาบุคคลก็จะเพียรพยายามกระทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นสิ่งใดที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติหรืการกระทำบำเพ็ญให้มีให้เป็นขึ้นก็จะเพียรพยายามกระทำบำเพ็ญให้มีให้เป็นขึ้นสภาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทำจิตใจของบุคคลให้ผ่องใส ในขณะเดียวกันก็มีปัญญาเข้ากำกับในการวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลมีระบบความคิดไม่เกิดความสับสนเขาก็จะผ่านการเวลาไปในแต่ละขณะในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสาระแก่นสารของชีวิตเพ่งพินิจพิจารณาเห็นตึงคุณความดีในดับอื่นๆที่ควรกระทำบำเพ็ญ ในขั้นต่อไปก็คือสีและสัมปทาความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ต, ตามสมควรแก่ฐานะของตนที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นลำดับลำดับเพื่อเหมาะสมสอดครองแก่ฐานะอาชีพของบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันแต่ทุกขั้นตอนที่ทรงบัญญัติแสดงไว้นั้น <c oughs> ก็อยู่ในวิสัยที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์หมดจดได้ ศีลก็คือภุนลรในเจตนาที่บังเกิดขึ้นมองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นอ น, นิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลและผลที่สืบเนื่องจากความเป็นผู้มีศีลอย่างที่ท่านแสดงไว้ในท้ายของศีลที่ว่าศีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะได้สุขติก็พระศรีลศีเลนะโภกัสัมปทาจะสมบูรณ์ด้โภกัสมบัติได้ก็พระศรีล สิเลนั้นนิปุติงยันติจะบรรลุนิพพานคือสภาพที่ปราศจากเพลิงกิเลสแต่เพลิงทุกข์ได้กับพระเศวตจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะรักษาสมาธานปฏิบัติให้เป็นไปเต็มตามกะลังความสามารถของตนศีลที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ในชั้นนั้น คือสินที่รักษาไวโดยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดา่าไม่พร้อยเป็นการรักษายังมีปัญญาอิสระจากความต้องการความมุ่งมาปรารถรนาผลที่เป็นรูปธรรมเ่าอืน่นไม่รักษาเดิมหน้าของตันหาคือรักษาในลักษณะต้องการแลกเปลี่ยนหรือว่าเกิดมานะเป็นการดูถูกดูหมินน่นบุคคลอื่นที่มีสินน้อยกว่าตนหรือสินต่ำกว่าตนหรือไม่มีสิน แต่รักษาด้วยเหตุผลและสติปัญญาเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดังกล่าวในขณะเดียวกันเมื่อรักษาศีลสมาทานศีลไปแล้วอาการกายวาจาของบุคคลสงบลงจิตก็จะโน้มน้อมเข้าหาสมาธิคือความตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เป็นเรื่องของจารคสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยการบริจาค ก, การเสียสละ สัมปทาคุณข้อนี้มีความหมายระดับที่ลดหลั่นกันลงไปแต่โดยเนื้อหาแล้วก็คือการสละกิเลสที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆเช่จนจาค่าที่หมายถึงการสละสิ่งที่เป็นรูปวัตถุต้องการสงเคราะห์หนุเคราอบบุคคลอื่นก็ดีมองเห็นคุณค่าเสียของการเสียสละแล้วเสียสละก็ดี แม้แต่มุ่งหวังผลใดอย่างหนึ่งอันจะตนจะได้จากการเสียสละเช่นนั้นก็ได้ก็ชื่อว่าเป็นการสละโลภะบางเป็นการสละมัจฉริยะคือความสนีทความหวงบางเป็นการสละความไม่พอใจที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนบ้างในชั้นต่อมาก็คือการสละ อารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อเจตจำนงที่บุคคลส้างไว้ข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพบด้วยใจขังตัวเองเสมอว่ายามใดก็ตามที่เราตั้งใจจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีความรู้สึกขัดแย้งเกิดขึ้นมาขัดฝางใจห้ามใจปลุกปลอบใจแล้วจะมาในรูปของความเป็นมิตรโดยอยู่เสมอแต่ว่าบุคคลไม่รู้เท่าทัน อ, อารมณ์เหล่านั้นเพราะเป็น อ, อารมณ์ของศัตรทูที่มาในร่างของมิตรจิตใจก็จะอ่อนไหวคล้อยตามปฏิบัติตามและในที่สุดก็จะเดินไปไม่ได้อารมณ์ในลักษณะนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่พระโพธิสัตว์ก่อนจะได้ศัตรุก็ น, นี้เมื่อเรามองย้อนไปถึงการตัดสินประทัยเพื่อ ออกประหนดและออกประหนดของพระโพธิสัตว์ก็มีมารมากระซิบห้ามปราบประสิทธถะจะได้ออกบวชเลยอีกเจวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครอบงามประชาชนเป็นน้ำมากเอาไว้มีจั ก, กรวรรดิกว้างไกลมีมหาสมุทรชาครทั้ง4ี่เป็นขอบเขตทราบว่าจิตใจของพระโพธิสัตว์ไม่มั่นคงจริงก็จะอ่อนไว้ไปในราบในยศ ในอำนาจในความสุขในความสันเสริญที่พระองค์อาจจะได้จากการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่พระประทัยของพระองค์มีความมั่นคงความรู้สึกเหล่านั้นที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนำมรรมก็ตามจึงไม่สามารถยกเพราะให้เกิดความวั่นวายขึ้นภายในประทัยของพระองค์ได้และในที่สุดพระองค์ก็กล้าเดินไป แม้จะมีการลองผิดลองถูกกันหลายครั้งหลายคราวแต่ในที่สุดก็ได้ตัดสุรูพระนุตรสมาสัมโภธญาและบนเส้นทางสายเดียวกันนี้อีิกสูอิกสุดีวาโสกุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมในอดีตก็จะมีความรู้สึกในลักษณะ น, นั้นเกิดขึ้นที่ทันใช้คำวชับป่าคือตัานหาผู้กระสิบใจจะมาในรูปร่าง ทะนุถนอมผ่วงใหญ่สุขภาพพลานาใหม่ของบุคคลเหล่านั้นคือตั้งใจจะกระทําความดีอย่างไรอย่างหนอังบางรั้งท่านจึงเรียกว่ามารประกัดขวางตัดรอนไม่ให้บุคคลสามารถทําความดีได้แต่ท่านที่สามารถวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นค่าสึกหรือเป็นมิตร แต่เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นข่าสึกกสละอารมณ์เหล่านั้นไปมุ่งมั่นไปตามเจตจำนงที่ตั้งที่ตั้งเอาไว้แต่พึงสังเกตว่าการกระซิบใจในลักษณะนี้มักจะมักจะกระสิบใจห้ามปรามใจไม่ให้ไปประพฤติไปกระทําในสิ่งที่ดีงามแต่ยามที่จะทําสิ่งที่ไม่ค่อยดีค่อยงามเท่าไหรก็มักจะไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แต่ถ้าปริมาณของธรรมะมิหิริอุตตปะเป็นต้นมีมากพอสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นปิดกั้นใจหักห้ามใจบุคคลได้แต่ถ้ามีไม่มากพอใจก็จะไหลไปสู่อารมณ์นั้นๆทําให้เขาประพฤติกระทําในสิ่งที่เป็นพุชจริตทั้งร่างกายทั้งทางวาจาและทาง จ, จิตใจดังนั้นจากาในชั้นนี้ จึงต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งของบุคคลเป็นประการสำคัญถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะถูกโจกครอนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ในชั้นต่อไปคือเรื่องของความเสียสละบรรดากิิเลดในชั้นนั้นๆที่จริงก็เป็นวัยพุทธของนิพพานคือใช้แทนกับนิพพานได้นิพพานบางครั้งท่านก็เรียกว่าจากหัก ถ้าในกรณีนี้หมายถึงการสละตันหาสละกิเลสอาจจะเป็นความริษยาความโลภความจริงชังความกับแค้นเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆโดยยึดครองจิตใจบุคคลอยู่บุคคลได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจนารณาแล้วก็สละออกไปใจก็จะเป็นอิสระได้อย่างน้อยก็ในขณะนั้ น, น, นเมื่อเป็นอิสระได้ก็ปราศจากเครื่องเีดแทงในขณะนั้น กลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ในชั้นหนึ่งนจิตใจที่เป็นเช่นนั้นก็จะเป็นจิตใจที่เจนเพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเผาลนหมายถึว่าบุคคลผู้ปฏิบัติสัมผัสนิพานในระดับหนึ่งโดยเนื้อหาของนิพานแล้วก็มีลดหลั่นกันลงไปนิพานในชั้นนี้จนเรียกว่าสันทิทิกรนิพานังนิพานที่บุคคลเห็นประจักษ์แก่ใจในขณะนั้น นั่นก็คือสภาพจิตที่วิมุตต์หลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าตทังกัวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยองค์ของอารมณ์องค์ของกิเลสนั้นๆในชั้นต่อไปก็คือเรื่องของปัญญาสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิณิสติจนาปัญญาในที่นี้เน้นไปที่ปัญญาซึ่งสามารถรักษาตัวได้ปัญญาที่บริหารตนได้ จนกลายเป็นผู้มีความสามารถคุ้มครองปกป้องตนจากพยานอันตรายต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมและในขณะเดียวกันก็นำตนเองให้มีการสร้างสรรพัฒนาจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไปปัญญาต้นจริงจำแนกแสดงไว้หลายระดับเจนระดับจำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลและปิยกิริษ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ประการต่อไปก็คือปัญญาที่รู้ความเกิดความดับของนามรูปในแง่ของกระบวนการงเหตุปัจจัยประการเกาะกุ่มการของสิ่งทั้งหลายการบัญญัติเป็นสิ่งนั้นๆเป็นบุคคลนั้นๆก็บังเกิดขึ้นแต่ในแง่ของสัจจะความจริงแล้วไม่มีสิ่งอะไรอยู่อย่างแท้จริง เป็นเรื่องของการสร้างสารรค์ปรุงแต่งขึ้นโดยสังขารทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองบางอย่างเป็นการสร้างสรรค์ของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองคือเป็นกระบวนการธรรมชาติบางอย่างก็มีการสร้างสารรค์ขึ้นโดยอาศัยสิ่งที่มีวิญญาณครองคือคนเป็นต้นแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่เมื่อล่าโดยสรุปแล้ ว, ส, ลวสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ควรได้ใชป้ปัญญาปัญญาแยกแยกออกไปได้โดยเหตุโดยผลตามสมควรแก่กรณีดั น, นั้นใจก็จะรู้สึกปลอยรู้สึกหว่างรู้สึกบรรเทาแลยกล็ละความยึดติดทั้งหลายไปได้ตามควรแก่กรณีดัง น, นั้นตมะทั้ง4ประการนี้จึงชื่อว่ามีคุณลักษณะในการสร้างสรรค์แต่ยาถามาสร้างสรรค์สิ่งสร้างสรรค์อะไร ก็ตอบได้ว่าสร้างสรรค์ประโยชน์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องการสิ่งที่มีประโยชน์ธรรมะที่ทรงสแสดงไว้จึงมีการตอบสนองความต้องการประโยชน์ของบุคคลทั้งหลายให้ธรรมะทั้ง4ประการที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนั้นก็สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคลในปัจจุบันแม้จะอยู่ท่ามกลางความ สับสนบุ่นวายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใจมีฐานมีที่พำนักพักจริงโดยอาศัยคุณธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวแล้วอันตรายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลเหนือใจบุคคลได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตนเองสามารถสร้างสารรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่ตนตในขณะเดียวกันพระใจมีปัญญามีความเสียสละ มีศรัทธาอยู่ก็จะสำแดงออกส่งการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นอีกสดุดและการกระทําเหล่านั้นพร้อมที่จะขยายปริมาณและคุณภาพขึ้นไปโดยลาดับคือขยายทั้งส่วนกว้งและส่วนสูงแต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้มีมากการสร้างสารรค์พัฒนาก็เกิดขึ้นได้มากและก็กว้างไกล และในขณะเดียวกันก็ช่วยทำรงรักษาป้องกันบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ในด้านของศรัทธาเมื่อบังเกิดขึ้นมั่นคงก็ป้องกัน ร, รักษาใจของบุคคลเอาไว้แม้ตกไปในอสัตย์ยะคือความไม่เชื่อเปนความลังเลความเคลื่อนแปรงสงสัยที่เป็นอีกฟากหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอันได้แก่กิเลสทั้งหลาย ศีลที่บุคคลรักษาสมาทานดีแล้วก็จะทําหน้าที่รักษาบุคคลเอาไว้ได้รายเป็นคนทุศีลและเมื่อศีลจะเป็นคนไม่มีศีลเพราะธรรมดาว่าคนไม่มีศีล น, นั้นย่อมประกอบกระทํากรรมที่หยาบช้าลามมกโดยประกา ร, รกต่างๆแต่เพราะศีลเป็นที่ปิดกั้นเอาไว้ศีลเป็นเกรบบาะป้องกันเอาไว้ จึงทาให้บุคคลเหล่านั้นจึงสามารถรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้รับความสุขในชั้นของศีลและในขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแส ด, แดงลักษณะของศีลเอาไว้เป็นอันมากเช่นว่าศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐเป็นอาวุธอย่างมหาศิลป์เป็นเกราะป้องกันพ ย, ยันอันตรายอย่างยอดเยี่ยมในด้านของจาคะ ก็จะทำหน้าที่รักษาบุคคลเอาไว้ไม่กิเลสประเภทที่เป็นปฏิบัติ์โดจักขะเป็นความโลภความสนิทความไม่ยินดีเกิดขึ้นครอบงําใจใจในขณะนั้นก็จะเป็นอิสระจากกิเลสดกล่าวส่วนปัญญานั้นมีลักษณะเป็นแสงสว่างกิเลสมีลักษณะเป็นความมืดเมื่อแสงสว่างคุ้มครองใจอยู่ความมืดคือกิเลสก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ว่าถูกแสงสว่างคือปัญญาขาจัดออกไปได้โดยดำๆและธรรมะเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่บำบัดกรจักปัดเป่าทุกโทษทั้งหลายที่ทรงกันข้ามกับตนเมื่อลราวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายดังนั้นธรรมะจึงเป็นผู้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่บุคคลจะทาหน้าที่รักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่บุคคลนั้นๆในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลและนําความทุกข์มาให้แก่บุคคลนั้นธรรมะเหล่านี้เมื่อไปอยู่ในบุคคลใดจะในไปอยู่ในกรณีที่ไปอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์โรงมีภารกิจที่จะต้องทําทั้งส่วนพระองค์และแก่อนาปผจญราษฎรภายในชาติงานของพระมหากษัตริย์ จึงจึงเป็นงานสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ส่วนพระองค์เองและส่วนของราชนาจักรในฐานะเป็นเจ้าชีวิตที่เจ้าแผ่นดินและสิ่งนั้นก็มีลักษณะเกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายภายในราชนาจักรและนำความสุขในชั้นต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง วันตะเกียึจึงเป็นวันที่ควรแก่การสํานึกรําลึกถึงของประสบนิกรภายในชาติที่ได้อาศัยคุณธรรมอันรัมหากษัตริย์แสดงออกมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลและสร้างสารรค์ความสุขให้ในขณะเดียวกันการบูชาพระมหากษัตริย์ก็เป็นเช่นเดียวกับการบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการกล่าวถึงธรรมะดวงดวนซึ่งสามารถดอำนวยความสะดวกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าจะเป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาศีลจักะหรือปัญญาหรือธรรมะข้อนอื่นก็ย่อมจะทำหน้าที่สร้างสรรค์ทำรงรักษาและกะจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นโทษภัยไม่ให้มาเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลล่านั้นซึ่งผลจะเกิดขึ้นได้ทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมก็ต้องอาศัยกาลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้ น, น, น แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อเตนนิ้ไปเพื่อขอให้ตั้งใจทำความสงบสืกต่อไป